ในชาวันนี้ก็ขอให้พระภิกษุสงฆ์สัมมณีแม่ชีและอบาสกอบาสิกาทั้งหลายจงตั้งจิตตั้งใจเพื่อที่จะได้ทำสมาธิเพื่อที่จะได้สำรวจตรวจตาตัวเองเพื่อที่จะได้ประพฤติปฏิบัติธรรม สร้างกุศลให้เกิดขึ้นให้กับกายและใจของเราวันนี้ก็เป็นวันที่สี่แล้วเป็นเช้าที่สี่ในขณะนี้เนี่ยบางคนก็ยังไม่เข้าที่ ก็ต้องค่อยๆพิจารณาไปว่าอะไรที่ยังไม่เข้าที่บางคนก็ยังไม่เข้าทางบางคนก็ยังไม่เข้าถึงพิจารณาไปอะไรของเราที่ยังไม่เข้าที่ในขณะนี้ก็คือกายของเราเข้าที่หรือยังเราก็พิจารณาไป อิยบดของเราเนี่ยเข้าทางหรื อ, อยังใจของเราเข้าถึงหรื อ, อยังก็นั่งพิจารณาไปว่าในขณะที่เราหลับตาทำสมาธิอยู่ในขณะนี้เนี่ยใจเราเข้าถึงอะไรใจเราเข้าถึงสมาธิหรือเปล่าพิจารณาไปเราพยายามมองว่าที่ใจเราอย่างเดียว เราอย่าไปสนใจสิ่งอื่นอย่าไปใส่ใจในเสียงจนมากเกินไปให้เสียงนั้นมันผ่านไปเหมือนลมที่มันผ่านเข้าออกทางจมูกให้เรากำหนดรู้เท่านั้นเราอย่าไปใส่ใจมันมากเกินไปสำรวจตรวจตาตัวเองว่าอะไรที่มันยังไม่พอเหมาะยังไม่พอควร เราก็พิจารณาไปใจเราพอหรื อ, อยังใจเรามีความต้องการอยู่ทั้งวันที่ใจมันต้องการเนี่ยอะไรมันทำหน้าที่ให้ใจเรามีความต้องการมีความฝักใฝ่อยากจะได้ในสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็มีแต่กิเลสทั้งนั้นที่มันคอยเกาะอยู่ตลอดเวลาคอยสั่งสมอยู่ตลอดเวลาทำให้ใจเราเนี่ย มันเกิดความอยากขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวคิเลสมันเป็นตัวแ้าเป็นตัวกระตุ้นให้ใจเราทำงานเมื่อใจเราทำงานเนี่ยสิ่งต่างๆมันก็ส่งผลออกมาให้เกิดสภาวะต่างๆเกิดขึ้นภายในใจให้เกิดสภาวะทุกข์บังเกิดสภาวะสุขบาง ทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเราก็พิจารณาไปเพราะชีวิตของคนเราแต่ละคนเนี่ยชีวิตเกิดมาเนี่ยเราไม่รู้อะไรเลยชีวิตเราเกิดมาเราไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้เจ็บไม่รู้ป่วยไม่รู้ไข้ไม่รู้รักษาชีวิตตัวเองได้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะชีวิตของคนเราเนี่ยเกิดมาด้วยความไม่รู้ ไม่รู้ว่าเราเกิดมาทำไมเราก็สงสัยแล้วไม่รู้ว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรถามว่าที่เรามีชีวิตเกิดมาเนี่ยเกิดมาเพราะเราอยากเกิดหรือว่าพ่อแม่อยากให้เราเกิดมากันแน่เราก็ลองพิจารณาไปที่เราเกิดมาเนี่ยใครเป็นต้นเหตุทำให้เราเกิดพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาก่อนพอเราเกิดมาแล้วเราก็ใช้ชีวิตด้วยความไม่รู้ ไม่รู้ว่าเกิดมาแล้วจะตายเมื่อไหรเกิดมาแล้วจะตายยังไงเกิดมาแล้วเราจะทำอะไรได้เราก็ยังไม่เข้าใจในชีวิตในขณะที่เราได้เกิดมาเพราะชีวิตเนี่ยมันเกิดมาด้วยความไม่รู้เมื่อเรามีชีวิตเกิดมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเรียนรู้กับชีวิตเราเองต้องคอยมาสะดสวงหาในสิ่งต่างๆเพื่อที่จะให้ชีวิตเนี่ย ปรับให้มีความสมดุลกับการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตพอเราใช้ไปแต่ละวันแต่ละวันด้วยความไม่รู้ความไม่รู้ในที่นี้ไม่รู้ตัวเองไม่รู้ใจตัวเองไม่รู้กายตัวเองไม่รู้ว่ากายอยู่ตรงไหนไม่รู้ว่าใจอยู่ตรงไหนกายอยู่กับที่กายอยู่อีกที่หนึ่งใจอยู่อีกที่หนึ่ง ใจเนี่ยมันไม่ค่อยอยู่กับกายมันชอบออกนอกกายไปตลอดเวลาทำไมใจมันชอบออกไปนอกกายเพราะเราไม่รู้เรารู้ไม่เท่าทันมันเราปล่อยมันปล่อยใจไปปล่อยใจให้มันออกไปอยู่ตลอดเวลาเพราะเราตามใจเนี่ยจนเคยชินเราไม่ค่อยได้ควบคุมใจของเราเองเรา ควบคุมใจเราเองไม่ได้แล้วก็ปล่อยมันไปอยู่ตลอดเวลาทําไมถึงกล่าวอย่างนี้ทําไมถึงพูดอย่างนี้เราลองคิดว่าชีวิตของมนุษย์ชีวิตหนึ่งเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยลองพิจารณาให้ดีๆอะไรเป็นโครงสร้างมีกระดูกเป็นโครงสร้างมีกระดูกเป็นฐานมีเนื้อหนังที่มันห่อหุ้มกระดูกเอาไว้ มันก็เปรียบเสมือนบ้านหลังหนึ่งบ้านที่เราต้องอยู่บ้านที่เราต้องอาศัยเรามีบ้านแต่เราไม่ชอบอยู่บ้านเราก็ปล่อยให้บ้านเราเนี่ยลกลุงหลังไปหมดโดยที่อยู่แล้วไม่เคยทำความสะอาดไม่เคยดูแลไม่เคยเอาใจใส่ไม่เคยปัดกวาดเช็ดถูมันเลย จึงทำให้บ้านหลังนี้เนี่ยสกรปรกลกลุงหลังไปหมดจนเราทำความสะอาดไม่ได้เมื่อเราไม่เคยทำความสะอาดบ้านเลยเนี่ยแล้วเราก็ลองคิดที่ว่าอะไรที่มันจะหมักหมมอยู่ภายในกายเราเนี่ยเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ลองพิจารณาไปบ้านหลังใหญ่หลังนี้เนี่ยมีผู้อาศัยแค่คนเดียวก็คือใจ ใจเราคือผู้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยแล้วเราลองพิจารณาดูว่าบ้านทั้งหลังเนี่ยเราจะดูแลยังไงให้มันคงสภาพอย่างเดิมได้เราจะทําความสะอาดเช็ดถูมันยังไงให้มันมีความสดใสให้มันสะอาดอยู่ตลอดเวลามันก็อยู่ที่ใจเราผู้ประพฤติปฏิบัติทำทั้งหลาย ในการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันกายที่เป็นบ้านหลังใหญ่หลังนี้เนี่ยเราปล่อยให้มันทรุดโทรมลงไปเราปล่อยให้มันเสื่อมโทรมลงไปโดยที่ใจเราไม่ได้ทำความสะอาดให้กับบ้านหลังนี้เลยโดยที่ใจไม่ได้คิดโดยที่ใจไม่ได้พิจารณาเลยว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยบ้านเราก็มีแต่จะพังลง มีแต่จะซุดโสมลงทุกวันเราเป็นผู้อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เนี่ยทำไมเราไม่ยอมอยู่บ้านตัวเองเพราะเราอยากออกไปนอกบ้านอยากออกไปนอกบ้านทำอะไรไปหาสิ่งที่เป็นกิเลสเพื่อที่มาบำบุงบำเรอตนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้น กิเลสที่มันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาทุกทางทางหูมันก็เข้าได้กิเลสเราฟังแล้วบางครั้งเราอาจจะเกิดกิเลสก็ได้เสียงที่เข้ามาในหูในแต่ละวันเนี่ยเมื่อเราฟังแล้วเราไม่พิจารณาให้ดีเนี่ยทำให้มีแต่ทุกข์แต่โทษทงนั้นกิเลสก็เข้ามาทางตาได้เช่นเดียวกันกิเลสเข้ามาทางจมูก กิเลสเข้ามาทางปากกิเลสเข้ามาทางใจเราลองคิดลองพิจารณาไปเรื่อยๆว่ากิเลสที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนที่มันสะสมไว้ภายในใจเนี่ยมันคือความอยากอะไรที่เป็นความอยากคือกิเลสทั้งนั้นเป็นกิเลสทั้งสิ้นแต่เราก็หลีกหนีมันไม่ได้ ลีกเลี่ยงมันไม่ได้อยู่ดีเพราะคนเราเนี่ยต้องอยู่ด้วยกิเลสถ้าไม่มีกิเลสปรุงแต่งให้ชีวิตคนเราเนี่ยชีวิตของมนุษย์เนี่ยก็จะอยู่ไม่ได้ก็จะอยู่ไม่พาสุขมันเป็นสิ่งที่ต้องเอื้อซึ่งกันและกันต้องอาศัยซึ่งกันและกันทำไมเนอกิเลสเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยมันต้องเกิดขึ้นกับใจเรามันเป็นเพราะอะไรก็ลองพิจารณาเอา มันเป็นเพราะหูเราอยากฟังเพราะตาเราอยากเห็นจมูกอยากได้กลิ่นปากก็อยากพูดใจก็อยากคิดอยู่อย่างนี้ทั้งวันมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนี้เนี่ยไม่รู้จักจบจักสิ้นเช่นเดียวกันเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นมากมายเนี่ยเราก็ชาระล้างเนี่ยมันลาบากเพราะเราไม่รู้วิธีเราไม่รู้ว่า เราจะเอาอะไรมาชำระล้างใจของเราเนี่ยให้สะอาดทําให้บ้านหลังเนี้ยเนี่ยไม่สกรปรกลกลุงหลังสิ่งที่เราได้สัมผัสในแต่ละวันเนี่ยมันก็เยอะแยะมากมายบางคนเนี่ยวันทั้งวันเนี่ยเจอแต่ปัญหามันเป็นเพราะอะไรวันทั้งวันเนี่ยเจอแต่สิ่งไม่ดีเจอแต่เรื่องไม่ดีมันเป็นเพราะอะไร มันเป็นเพราะใจเราเนี่ยปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาใจเราคิดอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่รวมถึงเมื่อกิเลสมันทำงานเนี่ยมันก็จะสร้างให้ความโลภเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอีกความโกรธมันก็เกิดขึ้นมาอีกความหลงมันก็เริ่มทำงานของมันอีกสิ่งต่างๆาเหล่านี้เนี่ยมันทำหน้าที่เนี่ยตามลาดับตามขั้นตอนของมันแต่เราเนี่ยไม่เข้าใจในลาดับ ในขั้นตอนในการเกิดดับของมันในการเกิดดับของจิตเราก็เช่นเดียวกันเมื่อจิตมันเกิดขึ้นได้มันก็ดับลงได้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นตามสภาวะใจของเราใจเราปรุงแต่งมากจิตมันก็ทำงานมากใจเราปรุงแต่งน้อยจิตมันก็ทำงานน้อยความโลภมันก็น้อยความโกรธมันก็น้อย ความหลงมันก็น้อยแต่ถ้าจิตมันปรุงแต่งมากอยู่ตลอดเวลาเนี่ยความโกรธมันก็มากความโลภมันก็มากความหลงมันก็มากทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนมีสองด้านมันจะเพิ่มค่าหรือมันจะลดลงก็อยู่ที่ใจของเราใจของเราปรุงแต่งเนี่ยมันก็มีแต่เพิ่มขึ้นมีแต่ทวีคูณขึ้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าใจเราไม่ปรุงแต่งอะไรเลย มันก็จะลดน้อยลงมาทุกสิ่งทุกอย่างก็จะน้อยลงในการประพฤติปฏิบัติเนี่ยเราประพฤติปฏิบัติมากแต่เราได้น้อยถ้าเราประพฤติปฏิบัติน้อยแล้วเราจะได้มากทำไมถึงกล่าวอย่างนี้ในการประพฤติปฏิบัติถ้าเราประพฤติปฏิบัติเราทำมากเกินไปใจเราไม่สงบแน่นอนจิตมันก็จะฟุ้งซ่านปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลา ทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยไม่เกิดผลมันจึงได้น้อยแต่ถ้าเราทำน้อยในระยะเวลาที่ไม่มากเกินไปพอที่ใจสงบได้พอที่ใจไม่คิดไม่ปรุงแต่งได้เนี่ยเราก็จะได้มากแต่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งหลายในการประพฤติปฏิบัติธรรมในแต่ละครั้งเนี่ยสิ่งที่เราพึงจะกระทำให้กับกายตัวเองได้ สิ่งที่จะกระทำให้กับใจตัวเองได้ในขณะนี้เนี่ยเราต้องนั่งพิจารณาใจของเราดูใจของเราดูกายของเราดูความเปลี่ยนแปลงตามลาดับตอนเรานั่งแรกๆเนี่ยกายก็ไม่ปวดเมื่อกายมันไม่ปวดเนี่ยใจมันก็ไม่ปวดพอเราคิดอยู่เสมอว่าพอกายปวดเนี่ยใจมันต้องปวดแต่เราคิดผิดใจกับกายเนี่ยทำหน้าที่ต่างกัน ทำหน้าที่คนละส่วนซึ่งแยกแยะ ก, กันอย่างชัดเจนอยู่แล้วเราปฏิบัติเรายังแยกแยะไม่ได้ว่ากายกับใจเนี่ยเราจะแยกยังไงกายมันเจ็บก็ส่วนกายใจมันไม่ได้เจ็บกายมันปวดเมื่อยก็ส่วนกายใจมันก็ไม่ได้ปวดเมื่อยกายมันมีความรู้สึกเมื่อยล้าเราก็ปล่อยมันไปเพราะใจมันไม่ได้รู้สึกเหมือนกับกายเลย เราต้องทำความเข้าใจในการปฏิบัติให้ดีพอเสียก่อนทุกคนมีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วทุกคนมีแนวทางที่ดีอยู่แล้วอยู่ที่เราจะนำฐานที่มีเนี่ยมารองรับใจเราได้มากน้อยแค่ไหนเมื่อเรามีฐานดีใจเราก็มีที่รองรับที่ดีถ้าเรามีฐานที่ไม่ดีเนี่ยใจเราก็มีที่รองรับ ไม่ดีเปรียบเสมือนเพชรเนี่ยก็ต้องมีเรือนที่จะต้องมารองเพชรเพชรเมร็ดงามเนี่ยต้องมีเรือนที่ดีมารองรับถ้าไม่มีเรือนที่ดีมารองรับเนี่ยเพชรก็จะไม่มีค่ามันก็จะไร้ค่าไปในที่สุดในการประพฤติปฏิบัติก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีฐานที่ดีแล้วเนี่ยเป็นที่รองรับทุกสิ่งทุกอย่างของใจได้เนี่ยใจก็จะ มีค่าใจของเราก็จะสงบได้ใจก็เราจะรับรู้ได้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้สัมผัสมาชีวิตคนเราเนี่ยผ่านตอนผ่านหนาวมาเยอะแยะมากมายแต่กายเนี่ยมันก็แค่ผ่านร้อนกับผ่านหนาวแล้วทำไมเนี่ยใจเราเนี่ยมันผ่านมากกว่ากายทั้งทั้ ง, ท, งที่ใจมันอยู่ข้างในกายมันอยู่ข้างนอก กายเนี่ยสัมผัสแค่ไม่กี่อย่างเองแค่รู้สึกว่าร้อนรู้สึกว่าหนาวรู้สึกว่าเย็นแค่นี้เองกายที่มันสัมผัสแต่ใจเนี่ยมันน่า ก, กลัวมันสัมผัสเยอะแยะมากมายไปหมดทั้งๆที่มันอยู่ข้างในแต่ใจเนี่ยมันอยากรู้ใจมันอยากเห็นใจมันอยากคิดใจมันอยากมีใจมันอยากได้ อยู่ตลอดเวลาทำไมเนาะใจเราถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเลยเราไม่ปล่อยสักทีทำไมใจเราไม่หยุดสักทีทำไมใจเราถึงหยุดไม่ได้ลองถามไปที่ใจตัวเองถ้าใจเราดุดได้สักครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็จะเห็นความสุขใจเราปล่อยได้สักครั้งเนี่ยเราก็จะเจอความสุขถ้าใจเราคิดแล้วเราไปปรุงแต่งต่อเนี่ยใจมันก็จะมีความสุข ก็อลองพิจารณาไปที่ใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเข้ามากระทบใจเนี่ยมันเป็นสภาวะสุขหรือสภาวะทุกข์ที่มันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันก็พิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงเพราะเรารู้ตัวเองอยู่แล้วว่าเมื่อสภาวะใดๆก็แล้วแต่ที่เข้ามากระทบใจและทาให้ใจเรามีความสุขแล้วก็ทำให้ใจเรามีความทุกข์เนี่ยมันคืออะไร แต่เราก็ต้องรู้ในสภาวะความเป็นจริงเนี่ยให้ชัดเจนบางคนรู้แล้วก็รู้ไม่จริงบางคนทำแล้วก็ทำไม่จริงบางคนคิดแล้วก็คิดไม่จริงทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะในการปฏิบัติเนี่ยจริตของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอยากฟังอย่างเดียวไม่อยากทำสมาธิ บางคนก็อยากนั่งสมาธิอย่างเดียวไม่อยากได้ยินเสียงอะไรเพราะจริตที่มันแตกต่างกันไปนี่แหละจึงต้องทำให้ทุกคนเนี่ยต้องมาฝึกมาฝึกเหมือนเหมือนกันฝึกแบบเดียวกันก็เป็นการปรับเปลี่ยนจริตของตนเองเพื่อให้มันเข้ากันได้ผู้ ป, ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเราลองพิจารณาว่าเช้าวันนี้เนี่ย เรามีบุญแค่ไหนเรามีโอกาสดีแค่ไหนที่เราได้มาสวดมนต์พร้อมกับพระพิสุสงเราได้มาทำสมาธิจเจริญภาวนาเราทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างแต่ดีแล้วที่เราลองมือทำเราฟังทำเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ดีแล้วที่เราได้ฟังก็เรา้องพิจารณาไป ถ้าเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็จะไม่ได้อะไรเลยอยู่บ้านเราเราก็คอยทำความสะอาดคอยเช็ดทูบ้านเราอยู่ตลอดเวลาให้บ้านเราน่าอยู่อย่าให้ฝุ่นอย่าให้สิ่งสกรปรกเนี่ยเข้ามาในบ้านเราได้แล้วเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้าน เพราะนั้นผู้ประพฤติปฏิปัติธรรมทั้งหลายสิ่งที่เราพึงจะคิดได้สิ่งที่เราพึงจะกระทำได้ในขนาดนี้เนี่ยให้คิดอยู่เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นจากการกระทำของตัวเราเองทั้งนั้นเราอย่าไปเพ่งโทษคนอื่นเราอย่ามัวไปมองคนอื่นอยู่เลยให้เรามองตัวเราเองให้เรารู้ตัวเราเอง ให้เราเข้าใจตัวเราเองแล้วชีวิตเราก็จะมีความสุขอย่าไปอยากรู้เรื่องคนอื่นอย่าไปอยากเห็นเรื่องคนอื่นอย่าไปคิดแทนคนอื่นเพราะเราไม่รู้ว่าสิ่งที่คนอื่นคิดเนี่ยเขาคิดดีแต่เรากลับคิดไม่ดีบางครั้งคนอื่นเขาทำดีแต่เรากลับทำไม่ดีบางครั้งคนอื่นเนี่ย แสดงสิ่งต่างๆออกมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแต่อะไรที่มันไม่ดีก็ใจเราอย่างเดียวที่มันไม่ดีมันต้องค่อยๆปรับค่อยๆ ค, คิดค่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเห็นธรรมที่มันเกิดขึ้นภายในใจอย่างชัดเจนสภาวะต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เราก็อย่าไปไปหลงมันอย่าคิดไปเองอย่านึกไปเองทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมีลำดับมีขั้นตอนของมันแต่เราตามดูในการทำงานแต่ละอย่างภายในกายและภายในใจเราเนี่ยเราตามดูทันมันหรือเปล่าบางครั้งเราตามมันไม่ทันเพราะส่วนมากเนี่ยเราจะปล่อยให้มันไปเลยเราจะไม่ตามไปดูมัน ก็ค่อยๆพิจารณาไปในเช้าวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาสำหรับผู้ประพฤตปฏิบัติก็ขอให้พระพิสุสงส ม, มเนินแม่ชีและอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายผู้ที่ประพฤตปฏิบัติธรรมได้เก็บไปคิดพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดในการประพฤตปฏิบัติในวันต่อไปก็ค่อยๆ